เกวีนวังสอไปช่วยงานศพแล้วคนเขา่วมทาบุญมาเลยรวมมาให้ท่นได้มพ่อเสียไปเกวยนกครบวันครบรวันแรกนี่มายหันคไปสู่สุคตินะเราก็เตรียมทำทำวีซ่าเตรียมตั๋วก um WOW. ันไหมเดี๋ยวจะได้เวลาเวลาเดินทางจะได้มี มีจัดปัจจัยาพาไปไม่ต้องให้คนส่งไปชีวิตคนเราก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบทุกคนคือร่างกายของพวกเรามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเรายืมมาจากดินน้ำลมไฟ เดี๋ยวก็ต้องคืนดินน้ำลมไฟไ ป, ไปแต่เราไม่ได้ไปกับร่างกายเรายังอยู่ต่อไปเราอยู่ไปกับบุญไปกับบาปที่เราทำไว้ไปกับความอยากหรือไม่อยากถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ไปต่อถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไป พพุทธเจ้าพระหลันตสาวกท่านหยุดความอยากทั้งหมดพอร่างกายนี้ตายแล้วท่านก็ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก่อนที่จะมาเกิดก็แวะไป ใช้นี้ก่อนถ้าทําบาปถ้าทําบุญก็ไปรับรางวัลสวรรค์เป็นที่ไปรับรางวัลอบายเป็นที่ไปใช้หนี้เพราะอบายมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนสวรรค์นี้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ไปรับรางวัลเหมือนกับไปท่องเที่ยว ทำงานดีทำยอดขายได้เจ้านายก็ให้ตั๋วไปเที่ยวถ้าเรามาทำบุญยอดขายเราทำยอดขายได้เวลาที่เราตรวจบัญชีเช็คบัญชีมีผลกาไรคือมีบุญมากกว บ, บาบาบุญก็จะพาเราไปรับรางวัล ถ้าบาปมีกำลังมาก ม, มีมีผลมากกว่าบุญก็เหมือนติดลบขาดทุนก็ต้องไปใช้นี่ใช้นี่ก็ใช้บาปที่ไปใช้นี่ก็ที่อบายมีสีสถานเดลฉานเปรตอสุรกายนารก จะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่มีใครมาห้ามมันได้มันเป็นเรื่องของฝนเหมือนกับฝนฟ้าอากาศจะเชื่อฝนจะตกหรือไม่ตกถึงเวลามันตกมันก็ตกเช่นเขาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่เราจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงความจริง ความจริงถึงเวลาฝนก็จะตกเขาก็ตกลงมาถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่ตกจันไดเรื่องกฎแห่งกรรมนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็สแสดงผลของมันถ้ามีเหตุเหตุก็คือบุญบาป ค, คือการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีก็เรียกว่าบุญถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปเช่นวันนี้เราคิดมาทําบุญกันมาทําทานคิดมารักษาศีลคิดมาฟังเทศฟังธรรมคิดมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าคิดดีผลก็จะดีตา ม, มาคือบุญก็จะเกิดขึ้นที่ใจ บุญคือความสุขใจอิ่มใจเย็นใจสบายใจพอใจแล้วสภาพของความสุขใจก็เรียกว่าสวรรค์ร่างกายเราอยู่ที่โลกนี้แต่ใจของเราตอนนี้อยู่ที่สวรรค์แล้วพอใจของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจของเราอยู่ที่โลกทิพย์โลกทิพย์นี้เป็นอีกโลกหนึ่ง โลกทิพนี้ต่างกับโลกกระทาของร่างกายโลกกระทานี้มีดินน้ำลมไฟแต่โลกทิพนี้ไม่มีมีแต่ดวงจิตดวงวิญญาณแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ดวงจิตดวงวิญญาณที่มีทุกข์ก็เรียกว่าอบาย จะเชื่อไม่เชื่อทำไปแล้วผลมันเกิดดูที่ใจเราเวลาเราคิดดีพูดดีทำดีนี่ใจเราจะสบายเวลาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจเราจะไม่สบายใจเราจะร้อนจะเป็นทุกข์ขึ้นมาเช่นคิดไปทำบาปทำกรรมคิดไปทำร้ายผู้อื่น ความคิดเหล่านี้คิดแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าไปกระทำมันก็จะผลิตความทุกข์ที่ยาวนานต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วก็ให้ทำบุญกันให้มากๆบุญก็มี อยู่หลายประการหลายอย่างเหมือนอาหารมีหลายชนิดบุญก็มีหลายชนิดบุญที่เรารู้จักกันคือทานคือบุญที่เกิดจากการให้นอกจากนั้นก็บุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทำบาป ก, ก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากการภาวนาคือทำใจให้สงบ ทำใจฉลาดเรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญให้แก่ผู้ร่วรับไปแล้วบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญร่วมทำบุญกับผู้อื่นร่วมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น บุญที่เก so <cas ello vivo> ิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆผลของบาปก็คืออบายชั้นต่างๆเรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบ เห็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็คือเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำบุญทำบาปแล้วก็ศูนย์เปล่าไม่มีผลตามมาการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตายแล้วก็จบเมื่อร่างกายนี้จบตายแล้วทุกอย่างก็จบไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ คนที่เห็นผิดเป็นชอบก็จะไม่กลัวบาปจะกล้าทำบาปเพราะคิดว่าตายไปแล้วก็จะไม่มีการรับผลบาปถ้าจะรับก็รับเฉพาะช่วงที่มีชีวิตอยู่เช่นไปคักขโมยก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังคุกขังตารางก็ใช้ใช้กรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ ต, ตายไปแล้วไม่รู้ว่าใครไปรักผลกับผลบุญผลกรรมกันเพราะเห็นแต่ร่างกายพวกเราเนี้ยเห็นร่างกายเราไม่เห็นใจตัวเราเรากลับไม่เห็นเราก็ไปเห็นร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วเราก็ไปทุกกับร่างกายทั้งทั้งที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทุกกับมัน ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เป็นตัวเรานี่เราไม่ทุกข์กับร่างกายเช่นเรารู้ร่างกายของคนอื่นนี่ไม่ใช่เป็นตัวเรานี่เราไม่ทุกข์กับเขาเลยร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายนี่เราเฉยๆทำไมเราเฉยได้ทำไมพอร่างกายที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นอะไรไปเราเฉยไม่ได้ก็เพราะเราหลงมีมิจฉาทิฏฐิไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา พออะไรเป็นของเราก็เกิดอุปทานเกิดความยึยดมั่นถือมั่นเกิดความอยากถ้าอะไรเป็นของเราก็อยากจะให้ดีไปเรื่อยๆอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้จากเราไปพอมันไม่ดีพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์วุ่นวายใจยกันขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามัน มันไม่ดีหรือว่ามันจากเราไปเพราะร่างกายคนอื่นไม่ดีร่างกายของคนอื่นจากเราไปเราไม่เห็นทุกข์กับเขาเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดติดในตัวของเขาว่าเป็นตัวของเราเนี่ยจิตมันอำนาจของความเห็นผิดเนี่ยมันสามารถสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้แก่จิตได้ความเห็นนี่แหละเป็นตัวร้ายกาศ ถ้าเห็นผิดแล้วมันก็จะทำให้เราหลงหลงยึด ต, ติดในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราแล้วก็จะไปอยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของใครไปเรื่อยๆอของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรต่างๆ ทุกอย่างมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับไปถ้าไปถือไปยึดถือว่าเป็นของเราเวลามันจากไปก็เสียใจใช่ว่าแต่เพียงร่างกายที่เราเสียใจสมบัติเข้าของเงินทองน้างก็เสียใจเวลามันจากเราไปคนที่เรายึดไปติดว่าเป็นของเราเราก็เสียใจเช่นลูกของเราสามีของเราภรรยาของเรา มีดามาด้าของเราพอมีคำว่าของเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีคำยึดติดทันทีแล้วก็จะมีคำว่าอยากขึ้นมาทันทีพอมีอยากก็มีทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากอะไรเลยไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เกิดจากการพัดพลากจากกันแต่เกิดจากความอยาก ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันเราจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิใจของเราก็จะปล่อยวางได้เช่นเราก็ปล่อยวางทุกอย่างเหมือนกับที่เราปล่อยสิ่งต่างๆที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราอสมบัติของคนอื่นเป็นอะไรเราไม่เห็นทุกข์ด้วยร่างกายของคนอื่น เป็นอะไรเราก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยเราต้องมองว่าสิ่งที่เป็นของเราก็ไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกันสิ่งที่เป็นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันถ้าเราจะไม่ทุกข์เราก็ใช้มันไปตามที่มันยังมีอยู่มีอยู่ก็ใช้ไปไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันถ้าไม่ วิธีที่ไม่จะใช้มันก็อย่าไปใช้มันเพราะถ้าใช้มันแล้วมันก็จะติดติดเป็นนิสัยจะต้องมีใช้อยู่เรื่อยๆจึงอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้มันแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันอยู่หรือว่าเวลามันไปเอ็นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาใช้สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดดีกว่าใช้ใจเราเนี่ยแหละ ใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดใช้ใจเราผลิตความสุขให้กับเราดีกว่าไปใช้ร่างกายไปใช้ราบยศสารเสริญไปใช้รูปเสียงกลิ่นรสไปใช้สามีใช้ภรรยาใช้บุตรใช้ธิดามาสร้างความสุขให้กับเราเพราะของพวกนี้มันจะต้องมีวันจ๋า ก, กันแม้แต่ร่างกายของเราเราก็อาศัยมันไม่ได้ไปตลอด ตงนนังมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปยัาสามมาทิฐิก็คือสัพเพธรรมานาตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราถ้าเป็นก็เป็นชั่วคราวเช่นลาบยศสารเสินสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองไว้ในขณะนี้มันเป็นของเราชั่วคราว แต่วันดีคืนดีมันก็จากอราไปได้ mm. หรือวันดีคืนดีเราก็จากมันไป mm. เช่นพอร่างกายมันตายไปเราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ mm. ไม่มีเครื่องมือไม่มีตัวที่จะเชื่อมเรากับข้าวของ mm. เงินทองต่างๆ mm. เราจึงไม่อยากตายกัน mm. เพราะเราไปติดกับความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่ถ้าเราไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาตายเราไม่เดือดร้อนเวลาล่านกายตายเราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้ตายเรายังอยู่ต่อแต่เราอยู่เราจะอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้เราก็ต้องไม่อาศัยอะไรในโลกนี้เราต้องอาศัยใจสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจ พุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขภายในใจกันมาฝึกนั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเงินทองไม่มี เวลาคนนั้นคนนี้จากเราไปเวลาร่างกายจากเราไป<ม>เราจะไม่ยึดไม่ติดกับมันมมนี่คือสัมมาทิฏฐิ<ม>บุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง<ม>บุญก็คือนิพพานเนี่ยบุญขั้นสูงสุดนี้ได้มาจากพระนิจะได้พระนิพพานถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาสัพเพมานัตตา เราปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่ใสยอะไรให้ความสุขกับเรานอกจากความว่างความสงบความสงบที่เกิดจากความว่างนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิบบานังปัลลังสุญญางนิบานังปรมังสุขขงังความสุขที่เกิดจากการที่เราอยู่กับความว่างได้ ตอนนี้เราอยู่กับความว่างไม่ได้เราต้องมีนู่นมีนี่มีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีลมหายใจมีลมไม่หายใจมีน้ำไม่ดื่มมีไฟไว้ทาให้ร่างกายอบอุ่นมีอะไรเยอะแยะไปหมด พอขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องมีถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้ถาวรเป็นที่พึ่งได้ชั่วคราวถ้าเราไปพึ่งมันเวลาไม่มีเราก็จะทุกข์เราจะเดือดร้อนพึ่งความว่างดีกว่าพึ่งความไม่มี คือไม่ต้องมีอะไรเลยเวลานั่งสมาธินี่เหมือนโยนของทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยโยนลาบยศสรรเสริญโยนนั่งกายทิ้งไปนึงใจเข้าข้างในนึงใจให้เข้าสู่ความสงบความสงบคือความว่างพอใจสงบใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับมีความสุขมากกว่าการมีสิ่งต่างๆ อันนี้พวกเราต้องเข้าให้ถึงให้ได้ถ้าเราเข้าถึงความสุขอันนี้แล้วความสุขที่อยู่กับความว่างนี้เราก็จะได้ทิ้งทุกอย่างได้เดี๋ยวนี้เราทิ้งไม่ได้เพราะเรากลัวความว่างกันอยู่คนเดียวก็เหงาแล้วว้างเวต้องหาเพื่อนหาอะไรกันไม่มีเพื่อนก็ต้องหาสิ่งทดแทนเพื่อน หาหนังสือมาอ่านมหาอะไรมาดูหาอะไรมาเดิมหาอะไรมารับประทานใจของเราหลงถูกความหลงหล่อให้ไปคิดว่าเราต้องมีสิ่งต่างๆเราถึงจะมีความสุขได้แต่ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆมันเป็นความสุขเดียวๆแล้วเวลาไม่มีมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เราอยู่กับความทุกทุกวันใจเราไม่ใจของเรานี่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจแทบทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ว่าไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความกังวลใจไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดกลัวต้องมีอะไรทักอย่างทำให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับของต่างๆที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มันไม่ได้เป็นของเรา แล้วเราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราพอมันจากเราไปเราก็เสียใจทุกใจขึ้นมาดางนั้นก่นวันพระนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าวันนี้สลัดทิ้งทุกอย่างให้หมดสลัดลาบยศสลัเสริญสลัดรูปเสียงกลิน่นรอแล้วก็ไปนั่งสมาธิสลัดร่างกายร่างกายไม่ต้องไปทำอะไรหมอนให้มันกินข้าวมื้อเดียวก็พอ ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ราบยุธศเสริญเราต้องการใช้ความสงบวิธีจะ ท, ทำใจให้สงบก็ต้องมีสติควบคุมใจถ้ามีสติควบคุมแล้วใจก็จะสงบได้ถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีวันสงบเหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขา ถ้าไม่มีเบรคก็ไม่มีวันที่มันจะหยุดได้ถ้าจะให้รถวิ่งลงเขาหยุดนี้ต้องเหยียบเบรคเหยียบไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> เหยียบ <Yeah. S 1> ไปจนกว่ามันจะหยุดนะอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราจะไม่หยุดคิดถ้าเราไม่มีสติมันจะคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็วุ่นวายไปกับความคิดนะมีความอยากมีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมามีความวิตกกังวลมีอะไรต่างๆ สารพัดสารเพแต่พอไม่มีความคิดแล้วมันไม่มีอะไรอารมณ์ต่างๆหายไปความอยากต่างๆหายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่แท้จริงพยายามสร้างสติกันขึ้นมาถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบแสดงว่าสติมีน้อย ถ้านั่งได้เดี๋ยวเดียวแสดงว่ายิ่งมีน้อยอะไรบางคนนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีทนไม่ไหวแล้วทนความอยากไม่ไหวไม่ใช่ทนอะไรอยากจะไปทําอะไรต่างๆอยู่เฉยๆแล้วมันอึดอัดเหมือนคนดำน้ำําลงไปดำน้ำําไม่มีอากาศให้หายใจนี่ดำได้เดี๋ยวเดียวก็ต้องโผล่ขึ้นมานั่งสมาธิได้เดียวเดียวเดี๋ยวก็ต้องโผล่ขึ้นมาหารูปเสียงกลิ่นวันเดี๋ยวก็ไปหาตู้เย็นไปหาทีวี ไปหาโทรศัพท์มือถือแล้วโทรหาคนนั้นหาคนนี้นี่คือปัญหาของพวกเราหยุดความอยากไม่ได้เพราะไม่มีสตนะิจึงต้องมาสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็ง่ายๆให้เราเลอกถึงปพุธโธพุธโธไปบริกรรมพุธโธพุธโธไปภายในใจ ถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดมันก็จะสงบมันก็จะเย็นจะสบายไม่มีความอยากเห็นต้องพยายามสร้างสติก่อนที่จะมานั่งถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีมันก็รวมได้สงบได้พอรวมแล้วมันก็จะยาวไปเลยมันจะนั่งได้นานโดยไม่รู้สึกเหมือนคนนอนหลับ แต่ว่ามันไม่มันไม่หลับท่นั้นมันมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาคนนอนหลับนี่ก็กตอนต้นก่อนจะนอนหลับได้ก็ต้องอก็ต้องตั้งท่าอยู่พักพอนั่งท่าอยู่ปั๊บพอหลับแล้วทีนี้ยาวไปเลยเป็นชั่วโมงเลยคนที่นั่งสมาธิก็เหมือนกันเวลาจะเอาใจเข้าสมาธิตอนต้นก็ต้องบังคับมันใช้สติใช้พุทธโธบังคับให้มันเข้าไป พอมันเข้าไปได้แล้วนี่มันก็ไม่ต้องบังคับมันละมันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆไปจนกามันจะถอนออกมาเองนี่คือวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะตอนนี้เราไปพึ่งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราพึ่งนั้นมันต้องมีวันจากเราไป ต้องมีวันเสื่อมต้องมีวันเปลี่ยนไป เ, เวลาเปลี่ยนไปมันก็มักจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเช่นซื้อของมาซื้อของมาใหม่ๆมันก็ดีพอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปมันเก่าลงไปเก่าลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีพอไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้ก็ต้องไปซ่อมใหม่ไปทําใหม่มันก็ทําให้เรา ขาดความสุขตอนที่มันไม่ดีกลายเป็นความทุกข์ไปดังั้นอย่าไปพึ่งอะไรของต่างๆในโลกนี้พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้ตลอดพึ่งได้ชั่วคราวเอาม า, มาพึ่งใจดีกว่ามาพึ่งความสงบดีกว่ามาพึ่งพุทโธดีกว่าสร้างพุทโธขึ้นมาขยันพุทโธไว้พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทําอะไรก็ได้ ทำไมเราร้องพุโทโธไปไม่ได้เอาพุโทโธดีกว่าเพราะเพลงมันมีความหมายมันมีอารมณ์ร้องเพลงขึ้นไปเดี๋ยวบางทีก็ร้องไห้ตามไปเ <c oughs> สียคิดถึงความสุขในอดีตที่หวานหวานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอย่าไปคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวคิดที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเช่นพุโทโธธรรมโมสังโฆ แล้วใจจะเย็นใจจะว่างใจจะไม่คิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดแล้วก็เรียกว่าว่างว่างแล้วใจก็จะมีความเบามีความสงบมีความสุขนี่แหละคือความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่ไม่ต้องใช้เงินทองไปซื้อมาพวกเรานี้ไปซื้อความทุกข์กันมาเหนื่อยยากหาเงินแทบเป็นแทบตาย แล้วก็ไปซื้อของที่จะมาให้ความทุกข์กับเราแต่ของที่ให้ความสุขกับเราที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสียเงินกลับไม่เอากันกับชอบเสียเงินไปซื้อของที่ทําให้เราทุกข์กันมันทุกข์ตอนไหนก็ทุกข์ตอนที่มันไม่มีตอนที่มันจากเราซื้อรถมาแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาไปขโมยมีขมโมยขมโมยไปเนี่ ยังมีความสุขไหมเวลาเราหายไปแล้วมันไม่หายมันก็อาจจะชนพังไปก็ได้คว่ำไปก็ได้มันมีวิธีหลายวิธีที่จะทําให้มันหมดสภาพไปไม่ชา้าก็เร็วดันั้นเราต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์อย่าไปมีอย่าไปพึ่งมันให้มาพึ่งสิ่งที่ไม่ทําให้เราทุกข์ สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีใครที่จะมาแย่งจากเราไปได้แฟนเรานี่คนอื่นมาแย่งไปได้สามีภรรยาของเราลูกของเรานี่คนอื่นเขามาแย่งออกไปได้แต่ความสงบของเรานี้ไม่มีใครแย่งไปได้ดังนั้นเอาของที่เป็นของเราแท้จริงดีกว่าอย่าไปเอาของที่ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง เป็นของเราชั่วค้างชั่วคราวเวลาพัดภาคจากการก็ร้องหอบร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเราต้องขยันพุทธโธกุณแจสำคัญก็คือพุทธโธหรือสตินี่ถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ใช้สวดมนต์ก็ได้สวดอิติปิโสไปสวดอรหังซัมมาสวากาโตสุปฏิปันโนไปหรือ จะท่องเที่ยวในร่างกายก็ได้ท่องเที่ยวไปกับอาการสามสบสองไปกับผมไปกับขนไปกับเล็บไปกับฟันไปกับหนังไปกับเนื้อไปกับเอ็นไปกับกระดูกท่องไปให้ครบสามสบสองอาการท่องไปกลับไปกลับมาท่องไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆ พอไม่คิดแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขนี่หละ ว, วิธีง่ายๆวิธีที่รักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเวลาใครทำให้เราโกรธก็พุดโทพุทโธไปไม่นานเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธลืมคนที่ทำให้เราโกรธตอนนี้เราลืมทุกอย่างไปแล้วเรามาที่นี่เรื่องราวต่างๆที่ผ่านงานนี้ ให้เราหัวเราะให้เราร้องไห้นี่ตอนนี้หายไปหมดแล้เพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมันพอเราไม่คิดถึงมันใจเราก็ว่างใจก็เรียนใจก็สบายนี่แหละหลักของการสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างด้วยสติให้ใจว่างให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอได้ความสุข จากสติแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาความสุขนี้ไว้เพราะสิ่งที่จะมาทำลายความสุขความสงบนี้ก็คือความอยากถ้าเราเผลอไปคิดถึงอะไรปั๊บนี่ความอยากจะโผล่ขึ้นมาทันทีพอมันโผล่ขึ้นมาถ้าเราต้องการจะกําจัดมันเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มันไม่เที่ยง ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปมันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดพอเราบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เราก็เสียใจทุกใจนี่คือปัญญาให้เห็นปลายลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเวลามันเปลี่ยนไปก็ทุกเวลามันจากเราไป กลายเป็นของคนอื่นไปมันก็ทุกขนะ์ไม่ได้เป็นของเราแล้วให้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้นะพอไม่มีความอยากหรืออยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบทำลายความว่างใจก็จะเป็นนิพพานังปละมังสนยังนิพพานังปละมังสุขขังใจจะว่างจากความอยาก ใจจะว่างจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆแล้วถ้าคิดก็คิดได้คิดแบบไม่ยึดไม่ติดไม่ได้คิดด้วยความอยากคิดอะไรแล้วก็ไม่มีความอยากกับสิ่งที่คิดจะคิดแล้วที่คอยกำจัดความอยากให้หมดไปพอพอไม่มีความอยากแล้วคิดถึงอะไรก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้ายังมีความอยากนี้พอคิดถึงอะไรปั๊บมันอยากทันที คิดถึงขนมก็อยากกินทันทีคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากดื่มทันทีแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะคิดถึงขนมก็คิดได้คิดถึงเครื่องดื่มก็คิดได้คิดแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้มีความอยากกินไม่ได้มีความอยากดื่มแต่อย่างไดเพราะใจมันอิ่มเนี่ยเวลาใจไม่มีความอยากนี่มันอิ่มถ้ามีความอยากว่ามันหิวพอมันคิดถึงอะไรนี้มันต้อง ต้องเอาให้ได้ถ้าเอาไม่ได้แล้วมันเครียดมันทุกข์มันหงุดหงิดมันลำคาญใจนี่คือฤทธิ์ของความอยากตัวที่ทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจ ว, ว้าเหวเศร้าซ้อ ย, งอย ห, หงอยเงาเตึงเครียดฟุ้งซ่านนี้ก็คือความอยากผลของความอยากทั้งนั้นพอเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มีอาการเหล่านี้ใจจะว่างจะเย็นจะสบายเหมือนตอนนี้ ใจของท่านทั้งหลายตอนนี้เย็นสบายเพราะว่าไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะมามู่คิดอยู่กับธรรมะที่กําลังแสดงให้ฟังอยู่ใจก็เลยว่างเย็นสบายอัดพยายามทําให้มันว่างให้มันเย็นสบายแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องมีอะไรร่างกายนี้จะอยู่จะตายก็ได้อยู่ก็เลี้ยงมันไปถ้ามีปัญญาเลี้ยงมันก็เลี้ยงมันไป ถ้าไม่มีปัญญาก็ทิ้งมันไปไม่สำคัญแล้วร่างกายถ้าเรามีความเราอยู่กับความว่างได้อยู่กับความสงบได้เราไม่ต้องมีแม้แต่ร่างกายถ้ามันยังอยู่ก็เลี้ยงมันไปตามอัตภาพถ้าไม่มีปัญญาจะเลี้ยงมันก็ปล่อยมันมันอยู่ตายเท่ากันสำหรับคนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายสำหรับคนที่มีความสงบมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจแล้ว ไม่ต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีอะไรต้องมาทําให้ใจมีความสุขเพราะใจมีความสุขในตัวเองแล้วเกิด<ม><อ>จากพุทโธคือสติและเกิดจากปัญญาคือไตรลักษณ์นี่ท่านั้นเองขอให้เราฝึกสติให้ได้หยุดใจให้ได้ทําใจให้สงบแล้วก็ฝึกไตรลักษณ์ต่อไปมองทุกอย่างให้เห็นเป็นไตรลักษณ์หมดเวลาอยากได้อะไรว่าเป็นไตรลักษณ์ทันทีอยากได้เงินก็เป็นไตรลักษณ์ อยากได้ของก็เป็นใจรักอยากได้คนนั่นคนนี้ก็เป็นใจรักอยากไปไหนมาไหนก็เป็นตายรักหมดให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะหยุดความอยากได้คือเป็นทุกข์หมดอยากได้อะไรก็กำบอกว่ากําลังไปหาความทุกขนะ์ไปหาเงินนี่ก็ไปหาความทุกขนะ์เวลาหาเงินแต่ละครั้งนี่มันสบายไหมกว่าจะได้เงินมาสักบาทนึงนี่วุ่นวายขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนแล้วได้มาแล้วก็ต้อง ทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วถ้ารักษาไม่ได้มันหมดไปก็ทุกข์กับความสูญเสียอีกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> อยู่เฉยสบายกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบสบายกว่ามีความสุขมากกว่าไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใคร ทุกวันนี้ที่เรามีเรื่องมีราวกันมีเวรมีกรรมกันก็เพราะความอยากของเราเนี่ยอยากจะได้สิ่งเดียวกันของอย่างเดียวกันก็เลยไปแก่งแย่งชิงดีกันพอต้องแก่งแย่งชิงดีก็ต้องต่อสู้กันสงครามมันก็เกิดจากการความอยากของคนเหล่านี้พออยากแล้วก็ต้องไปแย่งกันแย่งกันแล้วก็ต้องต่อสู้กัน นี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิบุญที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นบุญที่สำคัญที่สุดถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเห็นว่าการทำทานนี้เป็นบุญเห็นว่าการรักษาศีลนี้เป็นบุญเห็นว่าการภาวนาทาใจให้สงบทำใจให้ฉลาดนี้เป็นบุญเห็นว่าการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเป็นบุญ เห็นว่าการร่วมอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่นเป็นบุญเห็นว่าการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเป็นบุญเพราะเวลาทำบุญเห็นผู้อื่นเ็าทำบุญเราอนุโมทนาเราก็มีความสุขถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยหรือถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเมื่อเขาทาบุญก็อนุโมทนาไป เขาจะทำบุญกับใครก็เป็นเรื่องของเขาการให้นี้ให้กับใครก็ได้ให้กับสุนัขให้กับแมวให้กับคนให้กับใครก็ได้คนดีคนชั่วให้ได้หมดคนชั่วก็ให้ได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ก็ช่วยเขาได้<ม>ตำรวจเวลาจับคนร้ายเายังถ้าถูกยิง<ม>เขายังต้องเอาไปรักษาที่โรงพยาบาล เวลาทั้อยู่ในคุกเปรมต้องให้ข้าวเขากินอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือมันก็เป็นการช่วยเหลือเป็นเป็นทานเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันนี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าไม่มีที่ไหนจะสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิความรู้ในโลกนี้มีมากมีน้อยเท่าไหร่ไม่สอนเรื่องสัมมาทิฏฐิไม่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ไม่สอนเรื่องนรกสวรรค์ไม่สอนเรื่องอนิพพานกันสอนแต่วิธีหาเงินให้ได้มากๆ ก, กันทุกวิชาทุกความรู้นี่พุ่งไปที่การหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกที่เป็นความทุกข์กันแล้วก็วุ่นวายกันทุกข์กันวิธีหาแก้ความทุกข์ก็แก้ผิดกันแม่แก้ความทุกข์ด้วยการไปหาของมาเพิ่มเติม ได้มาไม่พอก็หามาอีกหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พ อ, อเพราะความอยากมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆสมัยเด็กๆนี่เรามีไปโรงเรียนวันหนึ่งได้สักเท่าไหร่แต่ไมเราพอตอนนี้ทำไมไม่พอวันหนึ่งเดือนนี้ใช้เท่าไหร่สมัยที่เป็นเด็กๆใช้วันละเท่าไหร่มีมากมันก็ยิ่งใช้มากมันไม่พอมันมีของให้ซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นวิธีที่แก้วความทุกข์ความวุ่นวายใจความไม่มีความสุขใจก็คือต้องมาทำใจให้สงบตนนั้นอาใจสงบแล้วปัญหาก็จะหมดไปไม่ต้องไปแกลงแย่งชิงดีกับใครไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมกับใครใครอยากจะได้อะไรให้เขาไปเลยพอเราเห็นว่าเขากำลังหาความทุกข์กันเราไม่อเฉาแล้วคนที่อยากจะไปหาความทุกข์ อยากจะหาความทุกข์ก็ไปเลยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตไปเลยอยากจะเป็นมหาเศรษฐีไปเลยแล้วดูซิว่าจะน้ําตาตกไงก็ปาพอได้อะไรมาแล้วมันก็หวงลนะหวงนะละเนวพาลาเสียไปก็เสียใจบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เรากําลังหากัน สิ่งที่เราแข่งแย่งแย่งกันฆ่ากันแทบเป็นแทบตายคือหาความทุกข์กันแย่งความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นความสุขกันคนที่พบความสุขที่แท้จริงแล้วจะไม่ช้าลิสิยาใครเลยใครใหญ่โตขนาดไหนใครรวยขนาดไหนใครมีอะไรมากน้อยเพียงไรมีแฟนมีผัวมีภรรยา สวยงามขนาดไหนไม่มีความรู้สึกอิจฉาหรือสเสียเขาเพราะมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปคนที่ไม่เห็นตายรักก็จะหลงหลายข้างท้ายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่คนที่เห็นตายรักแล้วจะเห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้น ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาสร้างสมมมาทิฐิกันพยายามฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเอาไปสลัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังหลงยึดติดอยู่ถ้าเรารู้ว่าเป็นยาพิษเราจะเก็บไว้ไหมถ้าของในบ้านชิ้นไหนที่เป็นยาพิษนี่เราโยนทิ้งทันทีของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นเหมือนยาพิษทั้งนั้นะมันเป็นพิษแก่ใจเรา มันทำให้ใจเราทุกมันอาจจะเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่มันเป็นพิษกับใจเราเพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงอันนี้จรงทุกข์เพราะว่าอนัตตาไม่ได้เป็นของเราวันดีคืนดีเจ้าของก็จะมาข อ, อาคืนไปภรรยาสามีของเราเดี๋ยววันดีคืนดีเจ้าของก็จะมาขอคืนไปพ่อแม่ของเราเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาเอาคืนไป เจ้าของคือขายก็ดินน้ำลมไฟเห็นไหมพอไปเผาแล้วเหลืออะไรก็เหลือแต่ขี้เท่าเหนือแล้วเดี๋ยวก็ไปรอยอังขันกลับคืนสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟไปให้มองอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากแล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบอย่างสบายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายนี้ก็อยู่ได้ ตอนนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านไม่มีร่างกายแต่ท่านก็อยู่ยังมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีร่างกายมีอะไรต่างๆมากมายกายกองแต่เรากลับทุกข์กันร้องห่มร้องไห้กันเสีย อ, อกเสียใจกันวิตกกังวลกันวุ่นวายกันเพราะเรามายุ่งกับเรื่องที่มันทำให้เราวุ่นวายกันนั่นเอง เรื่องที่ไม่วุ่นวายเรากลับไม่ไปยุ่งกันความว่างนี่ไงเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่ไม่วุ่นวายกันความว่างนี้ไม่ต้องแย่งกันมีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีอะไรเราก็ว่างนะ <c oughs> จะทำให้ใจเราว่างก็ต้องหยุดความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดพอหยุดคิดแล้วใจก็จะว่างแล้วก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไป หาอะไรมาอย่าไปอยากได้อะไรมามาแบกมาหามให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆของทุกอย่างในโลกนี้มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้ทำให้เราสุขถ้าสุขก็สุขเดียวเดียวสุขแบบเหยือที่ติดปลายเบนะ็ดเนื้อชิน้นเล็กๆติดอยู่ปลายเบ็ดพอไปหุบเหยื่อเข้าแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทุกข์ทรมานไปได้ไม่คุ้มเสีย ความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้นี่มันต่างกันอย่างฟ้ากับดินได้ความสุขชิ้นเล็กๆแล้วก็ได้ความทุกข์ก้อนเบ้อเริ่มเลยให้มองอย่างนี้แล้วเราจะได้กลัวกลัวกับสิ่งต่างๆไม่อยากจะมีอะไรอยู่คนเดียวอยู่กับความว่าสบายมีความสุขก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็จะอนุโมทารธนาให้พรแล้วหลังจากนั้นใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็ถามต่อได้อเป็นมอใหม่ครับอ่าดีากกเดี๋ยวเชิญต้องซื้อซีดีไปอ่านไปฟังได้ต้องศึกษาธรรมะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจแล้วจะรู้จักวิธีทำให้เรามีความสุข ครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณดีเลกนะครับถ้าเราเจอคนที่คอยมีแต่จะเบียดเบียนเราและใส่ร้ายป้ายสีเราขณะที่เราทำถูกต้องตามหลักกฎหมายจะมีวิธีอย่างไรครับให้คนผู้นั้นให้เขามีเมตตาต่อเราและไม่เบียดเบียนเราถ้าเราไปเจอกองขยะเราจะไปทำให้กองขยะมันเป็นของดีขึ้นมาได้ไหะเราทาอะไรกับกองขยะเวลาเราไปเจอกองขยะ เราก็อุดจมูกแล้วก็เดินถอยออกไปอย่าเข้าไปใกล้มันเพอใกล้แล้วมันเหม็นแล้วส่งขอปลุกเราเจอคนไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเหมือนกองขยะอย่าไปหวังว่าจะไปเปลี่ยนเขาเลยเราไม่ใช่ว่าพุทธเจา้ากับองคุลิมานอันนั้นเป็นกรณีพิเศษองคุลิมานนี้ความจริงไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายแต่ความ ถูกเขาหลอกให้ทำทำบาปเพื่อคิดว่าตนเองจะได้บรรลุพอเจอพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยเตือนสอนว่าสิ่งที่จะต้องฆ่าก็คือกิเลสไม่ใช่ฆ่าคนการฆ่าคนนี่มันบาปแต่ฆากิเลสนี่ไม่บาปฆากิเลสนี่เป็นบุญให้ฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงพอไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจแล้วใจจะสงบน บ้านเมืองเราสงบก็เพราะว่าไม่มีคนที่มีความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความโลภความโกรธความหลงบ้านเมืองจะไม่มีวันสงบดังนั้นเราก็ต้องดูว่าบุคคลที่เราหวังจะเปลี่ยนเขานี่เรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนเขาไหมสองเขาอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนได้หรือไม่บางคนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้ก็มองเขาเหมือนกับกองขยะหรือกองอุจจาระก็แล้วกันจะไปเปลี่ยนอุจจาระให้มันเป็นอาหารนี่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเราให้เป็นสุนัขเท่านั้นะถ้าเราเป็นสุนัขเมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่าอุจจาระนี่มันเป็นอาหารขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ควรจะอยู่ห่างๆจะดีกว่าดังที่ในมงคลลสูตรก็สอนเราว่า การไม่คบคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าไปคบคนพาลคนไม่ดีคนโง่คนไม่ดีนี่เป็นพ่อของโง่เขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเขาเลยโง่เขาเลยไปทำบาปกันทาสิ่งที่ไม่ดีกันถ้าเขาไม่โง่เขาไม่ทำหรอกถ้าเขารู้ว่าทำบาปแล้วเป็นเหมือนกับาทาร้ายตัวเองมีใครอยากจะทำร้ายตัวเองบ้างแต่เขาไม่รู้เขาคิดว่าทำบาปแล้วทำให้เขามีความสุข เอาก็เลยทํากันเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราสอนเขาได้ไหมถ้าเราคุยกับเขาได้หรือเปล่าถ้าคุยกับเขาได้ก็สอนเขาเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่สอนคนที่พระเทวทัตส่งมาให้ฆ่าพระพุทธเจ้าเาะเทวทัตนี่โกรธพระพุทธเจ้าแค้นมากเลยไปจ้างคนให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พอไปเจอพระพุทธเจ้าก็ คุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าการฆ่าคนนี่มันบาปเงินทองที่ได้รับจากการว่าจ้างนี้มันไม่คุ้มกับบาปที่จะต้องไปใช้จนในที่สุดเขาก็เชื่อเขาก็เลยไม่ฆ่าดังนั้นถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีแล้วเราพูดกับเขาได้บอกเขาว่าการกระทาของเขานี้มันไม่ดีมันเป็นพิษเป็นภัยกับเขาเ อ, อ, อย่าทำดีกว่า ถ้าคุยได้สอนได้ก็สอนไปถ้าคุยไม่ได้สอนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แ ต, แต่ในคำถามความหมายของเขาคือเข า, เข า, เขาโดนเบีดเบียนจากคนคนไม่ดีครับอาจารย์เพราะนั่นแหละถ้าโดนเบียดเบียนก็ก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาเละหรือว่าถ้าต้องอยู่ก็ต้องทำใจว่าคิดว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิบากของเราเราเคยไปเบียดเบียนใครมาก่อน ในอดีตตอนนี้ก็ต้องถูกเขาเบียดเบียนเป็นเป็นการใช้ใช้กรรมกันไปกงเกวียนกงกรรมทำอะไรกับใครไว้สักวันหนึ่งก็ต้องถูกเขาทำกลับคำถามจากคุณฟ้าใสแต่ก่อนนับถือเทพเจ้าพระโพธิสัตว์และสัทธาของขังต่างๆพวายน้ำชาน้ำเปล่าเกือบทุกวัน จนได้มาศึกษาพระธรรมในระยะหนึ่งแล้วมีคำสอนที่ว่าให้นับถือเฉ พ, พาะพระพุธพทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงอยากสอบถามว่าควรปฏิบัติอย่างไรกับเทพเจ้าที่เรานำมาไว้ที่บ้านแล้วคะก็ไม่ต้องลบหลู่ก็ปล่อยไว้เฉยๆโดยจะเก็บไปก็ได้จะเก็บเก็บไปเอาไปเข้าตู้ก็ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเทพเจ้าหรอก เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเท พ, พเจ้าเป็นตุ๊กตาต่างๆรูปปั้นต่างๆนี่ก็เป็นของที่เราสมมุติขึ้นมาเป็นตัวแทนของเท พ, พเจ้าเท พ, พเจ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราเราไปสมมุติกันขึ้นมาเองเท พ, พเจ้าก็เป็นคนที่ทําบุญไม่ทําบาปเวลาตายไปเขาก็ไปเป็นเทพกันเท่านั้นเองแล้วเขาก็ พอหมดสภาพของเทพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คำถามจากคุณสรัญญาช่วงนี้จิตตกมากค่ะช่วงนี้จิตตกมากค่ะคิดแต่เรื่องลูกชายดื้อมากไม่ทราบจะทำอย่างไรดีคะไม่ให้คิดมากพยายามนั่งสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านค่ะก็ต้องหยุดความอยากของเรานะความอยากที่จะให้ลูกเราดี อยากจะให้ลูกเราไม่ไม่ไม่เลวร้ายแต่เราต้องดูความจริงว่าเป็นไปได้ไหมเราเปลี่ยนลูกเราได้หรือเปล่าเปลี่ยนให้เขาดีได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องมองว่าเหมือนกับเรากำลังจะเปลี่ยนสับปะรดให้เป็นกล้วยอย่างี้เราเปลี่ยนได้ไหกล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยสับปะรดก็ต้องเป็นสับปะรดแต่เราไม่ยอมรับความจริงเราอยากจะเปลี่ยนสับปะรดให้เป็นกล้วยให้ได้ พอเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยเคยรียดเลยไม่สบายใจจิตเลยตกต่ำตกต่ำเพราะความอยากทุกข์เพราะความอยากพอเราเห็นด้วยปัญญาว่าโอ้เหนื่อยไปเปล่าๆทำยังไงสับสนก็ไม่มีวันเป็นกล้วยได้ทำไงลูกของเรามันก็ต้องเป็นของมันอย่างนี้นะแหละจะไปเปลี่ยนมันทำไมไปอยากมันทำไม พอเราหยุดความอยากได้แล้วมเราก็จะสบายใจขึ้นเราต้องยอมรับว่าคนเราทุกคนที่มาเกิดนี้มีบุญมีกรรมมาทำเป็นผู้ทำให้เราเป็นอะไรต่างๆกันถ้าเรียกว่ากรรมเป็นสิ่งที่จาแนกแยกสั์ให้เป็นอะไรต่างๆกันให้เป็นสูงให้เป็นต่าให้เป็นดีให้เป็นชั่วกัน เราอยู่ดีๆเราจะไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปมันย่อมเป็นไม่ได้ถ้าอยากจะให้เขาเปลี่ยนก็ต้องให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาก็คุยกันไปเท่านั้นเองคุยกันไปสอนกันไปหรือว่าถ้ามีโอกาสพาให้เขาไปอยู่กับคนที่สอนเขาได้ ก, ก็ดีถ้าเราสอนเขาไม่ได้เราก็ต้อง เอาไปฝากเช่นโรงเรียนกินนอนอย่างนี้โรงเรียนกินนอนเขาก็มีระเบียบมีการควบคุมบังคับให้ทำในสิ่งที่ดีต่างๆถ้าอยู่กับเราเราใจอ่อนเรารักมันตามใจมันมันอยากจะเล่นก็ปล่อยมันเล่นมันอยากจะกินก็ปล่อยมันกินมันไม่อยากเรียนก็ไม่ไปบังคับมัน <c oughs> มันก็อะไรไม่ดีนั่น โทษความจริงส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เรานะี่ยแหละเราไม่รู้จักเลี้ยงลูกรักลูกผิดทางไม่เชื่อคำโบราณที่สอนว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีลูกมันก็เลยไม่มีความกลัวเราไม่มีความเกรงเราเราพูดอะไรมันก็ไม่ฟังเราดั้นเราต้องส่งให้มันไปอยู่กับคนที่มันต้องฟังวิธีดีที่สุดก็ให้มันทํา อะไรไปให้มันผิดกฎหมายแล้วก็ถูกตำรวจจับไปขังคุกขังตารางไปเลย เ, เดี๋ยวมันก็ไปดีในคุกเองเอคนที่ติดคุกนี่คอยเขียนหนังสือมาเคาะเขียนจดหมายมาขอหนังสือแล้วอ่านแล้วก็บอกว่าต่อไปเวลาเสึกออกมานี่ เ, เวลาออกจากคุกนี่จะมาบวช เ, เห็นไหมมันต้องเห็นโทษของการกระทำของตนเองก่อนแล้วเห็นคุณของการ การทำความดีว่าเป็นอย่างไรเนั้นบางทีมันต้องเจ็บก่อนถึงจะจำเขาถึงต้องตีเด็กกันบ้างถ้าไม่ตีมนไม่จำหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องระวังอย่าไปตีมันด้วยอารมณ์และอย่าไปตีมันมากเกินกว่าความผิดของมันบางทีมันผิดนิดเดียวไปตีมันซะเลือดออกอย่างนี้มันก็ไม่ถูก ก่อนจะตีก็ต้องคุยกันก่อนว่านี่ที่กำลังจะถูกตีเพราะเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้ให้รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะต้องมีผลที่ไม่ดีตามมาอันนี้เป็นการ <c oughs> ให้เห็นผลตัวอย่างเพราะว่าต่อไปเวลาโตขึ้นเวลาไปทาสิ่งที่มันผิดกฎหมายผิดอะไรนี่จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางซึ่งมันเป็นโทษมากกว่าที่ถูกเคี่ยงตีในขณะนี้ ก็มีบางคนเขาเล่าให้ฟังว่าลูกบางคนพ่อแม่ปล่อยเลี้ยงแบบไม่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนพอโตขึ้นก็ไปทำผิดกฎหมายไปฆ่าคนแล้วก็ถูกศาลสั่งประหารชีวิตแล้วก็มาว่าแม่ว่าพ่อว่าทำไมไม่สั่งสอนคขาเ <c oughs> นีหน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องคอยสั่งสอนลูกให้รู้จักผิดถูกดีชั่ว คอยห้ามปรามไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดแล้วก็พยายามผลักดันส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ดีแล้วต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่การเลี้ยงของเรานี่แหละมีส่วนแต่ไม่เป็นทุกทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนิสัยของเขานิสัยเดิมของเขาถ้าเขามีนิสัยรักความช่วย บางทีก็เลี้ยงสอนยังไงก็สอนไม่ได้เหมือนกันในทางตัวข้างๆคนที่มีนิ ส, สัยดีนี้ก็เหมือนกันสอนให้ไปทำชั่วมันก็ไม่ไปเหมือนกันมันก็จะทำแต่ความดีอันนี้มันเป็นเรื่องของนิ ส, สัยของแต่ละคนที่ได้ปลูกฝังมาในอดีตชาติอย่างพระพุทธเจ้านี่พ่อก็อยากจะให้ไปทำสงคามอยากให้ไปเป็นมหาจากักรพรรดิ์เนี่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยากจะฆ่าคน ต่าไม่อยากจะทำสมครามท่านไม่อยากจะเป็นมาหาจากักรพรรดิท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะเป็นนักบวชงนั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเขาเองความดีชั่วที่ติดมากับตัวค้านี้อยู่ที่ว่าแรงหรือไม่แรงถ้าแรงนี่มันก็จะแก้ยากถ้าไม่แรงนี้ก็ยังพอที่จะแก้ได้พอที่จะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ แต่ถ้าแรงรับเราเปลี่ยนไม่ได้นี้เราก็ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบุญเป็นบาปของเขาแต่เราต้องทําหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ทําเราก็บวกเคร่อง์ <c oughs> วัวแต่หาวัวแต่หาสิ่งที่ที่ทําให้เขาเสียให้เขาใช้เงินซื้อขนมซื้อของเล่นมาให้เขาเล่นให้เขามีความสุขโดยที่ไม่สั่งสอนให้เขารู้จักมีความรับผิดชอบให้รู้จัก ช่วยตัวเองให้รู้จักทำงานทำการมีแต่ให้อย่างเดียวเขาก็เลยคิดว่าทิ่เขาไม่ต้องทำอะไรอยากจะได้ก็เลยแบมือขออย่างเดียวอย่างนี้ต่อให้โตไปอายุมากขนาดไหนถ้าก็ยังขอเราได้อยู่เขาก็จะขอเราไปเรื่อยๆ เ, เขาก็จะไม่คิดที่จะไปทำมาหากินหาเงินหาทองของเขาเอง <c oughs> แล้วเวลาเราตายไปเขาก็จะ มีเงินทองที่เราให้เขามีเท่าไหร่เดี๋ยวก็ใช้หมดหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็ลำบากต่อไปงนั้นการเลี้ยงลูกนี้มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องหมั่นคอยคอยเลี้ยงดูคอยอบรมคอยสั่งสอนถ้าไม่มีเวลาก็ต้องส่งไปโรงเรียนส่งไปที่ที่เขามีการอบรมสั่งสอนอ่าก็ พี่ชายพกเสียคนที่สิบเจ็ดเห็นตั้งแต่ลมหายใจสุดท้ายของพี่ชายแล้วพระเจ้าก็อาโยก็สวดอิจฉิโสว่าถูกต้องเลยเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นจากข้างแรกถึงขั้นมารับพลาถึงเป็นภาพุเดียงก็ยังวางใจไม่ได้พยายามวางใจให้ได้เพราะเป็นพี่นรอง ใจให้วางไม่ไ้แตวางยากมากฉาวเร้าวาให้วางใจยังไงให้เสด็จให้ได้ก็ต้องทําใจให้สงบต้องพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องของน้องชายเพราะมันผ่านไปแล้วพี่ชายมันผ่านไปแล้วใจเรายังไม่ยอมรับความจริงต้องทําให้ใจสงบแล้วมันจะรับความจริงได้ พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆพุทโธไปบ่อยๆ อ, อย่าไปคิดถึงเรื่องของพี่ชายพราะคิดแล้วมันมันวางไม่ได้เพราะเราขาดกําลังที่จะวางเราต้องสร้างกําลังที่จะวางก็คือสมาธิความสงบก็ฝึกตัวเองมาเยอะแล้วแต่ถึงเวาเข้าจริงๆก็เป็นสิ่งที่รักที่ที่รักของเราจากไปมันก็เป็นต้องเห็นกันติด <c oughs> ตาตัวเองว่ามันจริงเดี๋ยวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านท่าเ อ, อ๋อร์เขาโอดมาว่าสิ่งที่รักที่พอใจจากพาัดภาคจากสิ่งรับคือพอใจนั่นก็เป็นทุทกข์จริงเนาะทุกข์จริงจพ่อแม่ไปผ่านผ่านไปแล้วก็ทุกข์แต่ใ่พี่ที่รักก็ทุกข์ยังว่าตัดใจตัดให้ได้อยากวางใจให้ได้วางยังไงวางให้มิ่งก็ทําใจสงบ พุโทโธพุโทโธไปเรือ่องสวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอจิตสงบแล้วก็จะวางใจได้จะปล่อยวางได้อต่อมาคำถามจากคุณพัชราหากภาวนาแล้วจิตสงบไม่คิดแต่จิตไม่รวมควรภาวนาต่อไปเรื่อยๆหรือไม่คะจิตสงบคือจิตต้องรวมลงทุกครั้งไหมคะมันก็ ถ้ามันไม่คิดก็ถือว่ามันสงบในระดับหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ถ้ามันถ้ามันไม่คิดก็ดูดูจิตไปเฉยเฉดูว่ามันให้ให้มันสักแต่ว่ารู้ไปเฉยเฉไม่มันอยู่อย่างนั้นมันไม่คิดปรุงแต่งมันไม่วุ่นวายใจก็ให้อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้คำถามจากคุณสุพ้าเราจะอุทิศส่วนบนุญ ส่วนกุศลให้กับญาติที่ร่วงลับด้วยวิธีใดที่ดีที่สุดครับก็โดยการทําบุญนี่แหละเราทําบุญใส่บาตถวายสังฆทานแล้วเราก็อุทิศบุญที่เราได้ทํานี้ไปให้กับเขาค่ะคำถามจากคุณสลักเวลาที่เรามีความทุกข์ใจกับเรื่องคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเงินเราต้องทําอย่างไรคะเราก็ต้องตัดความอยากของเรากับเรื่องเหล่านั้นที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็ทุกข์ฉนั้นเราต้องยอมรับความจริงเช่นเงินไม่พอใช้ก็ต้องยอมรับว่าเงินไม่พอใช้อย่าไปอยากให้ได้เงินมามากๆก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปสิถ้าเงินไม่พอใช้ก็ใช้มันน้อยลงไปเดี๋ยวมันก็พอใช้เองมันก็ใช้มากกว่าที่มันหาได้มันก็ไม่พอใช้สิคำถามจากคุณนุช เวลานั่งกรรมฐานดิฉันจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยมันมืดๆอย่างเดียวบางทีจิต ก, ก็แวบคิดไปที่อื่นดิฉันก็ดึงจิตตกจิตกลับมาอาการสั่นโยกก็จะเป็นเรื่อยๆหยุดหยุดหายหายดิฉันก็ไม่สนใจจะสั่นก็สั่นไปคำภาวนาก็ไม่มีแล้วค่ะอยากแค่นั่งหลับตาทําจิตให้ว่างก็พอดิฉันอยากเรียนถามพระอาจารย์ข้าวๆ ว, ว่าดิฉันทําถูกเป้งหรือเปล่าคะ ไม่ถูกก็ต้องมีคาภาวนาต้องมีพุโทโธมีพุโทโธมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ถ้านั่งเฉยๆนี่เดี๋ยวจิตมันก็มันก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนกับลิงถ้าเราไม่เอาเชือกมามัดมันไว้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปทั่วโลกไปไหนมัไนไหนได้จิตของเราก็เหมือนลิงถ้าเราไม่มีอะไรผูกมันไว้มันก็จะคิดไปได้หรือมันออกจะ ทำอะไรที่เราโดยไม่รู้สึกตัวว่ามันทําไปแล้วดังนั้นต้องให้มีอะไรคอยควบคุมใจไว้ให้มีพุโทโธพุโทโธกํากับใจไว้อยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะสงบตอนนี้มันยังไม่สงบมันก็เป็นอย่างเนี้ยเหมือนกับไม่รู้สึกว่ามีอะไรมนีนู่นมีนี่แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงว่ามันยังไม่สงบให้พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆ ที่มีหรือไม่มีก็ตามถ้ามันสงบแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์ใจมันจะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจมันได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นคำถามจากคุณทัศวันกลัวผีค่ะผีชอบทำเสียงดังทุก ฝ, ฝ่าบ้านกลัวค่ะควรทำกำหนดอย่างไร เวลากลัวอะไรก็ให้เราพุโทโธพุโทโธไปอย่าส่งใจเราไปหาสิ่งที่ทําให้เรากลัวะพุโทโธไปจนกว่าใจจะสงบะพอใจสงบแล้วความกลัวจะหายไปถึงแม้จะมีเสียงก็จะไม่กลัวเมื่อมันก็เป็นแค่เสียงเพียงแต่ใจเราไปปรุงแต่งว่าเป็นผีเป็นอะไรไปเท่านั้นเองบางทีอาจจะเป็นเสียงหนูเสียงอะไรเสียงสัตว์อะไรกัดแทะอะไรอยู่ก็ได้เหมือนกับหลวงปู่รูปหนึ่ง ท่านไปนั่งภาวนาที่ป่าช้าแล้วท่านก็ได้ยินเสียงท่านก็กลัวขึ้นมาแต่ท่านบอกว่าท่านมานี้เพื่อมาดับความกลัวเอ็นกลัวอะไรก็ต้องไปดูซะว่ามันเป็นอะไรท่านก็เลยบังคับใจให้เดินไปหาสิ่งที่กำลังเป็นเสียงอยู่นี่พอเดินไปถึงก็เห็นหมากาลังแทะกระดูก งั้ก่อนที่เราจะไปว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรนี่เราต้องไปพิสูจน์ดูให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นอะไรถ้าเราไม่กล้าก็อย่าไปหามันเลยให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวแล้วถ้าใจเราสงบได้จากพุโทโธแล้วเราจะหายกลัวคําถามจากคุณคอนพัฒเราจะทํายังไงดีกับคนที่อิจฉาเรา เราห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาจะรักเราเขาจะเกลียดเราก็าจะอิจฉาเราหรือไม่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราน้อยลงได้ด้วยการแผ่เมตตาแ่เนี่ยการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอคนคนที่เขาอิจฉาเราเราได้ขนมมาได้อะไรมาก็แบ่งให้เขาไปบ้างสิได้รางวัลเขาอิจฉาเราเพราะเราได้รางวัล เราก็แบ่งให้เขาบ้างเดี๋ยวเขาก็หายอิจฉาเองแต่ถ้าเขายังอิจฉายอยู่ก็ช่วยไม่ได้คนบางคนนิสัยที้อิจฉาทำยังไงก็ยังอิจฉายอยู่อย่าง น, นีเราก็ต้องทําใจทัาอุเบกขาปล่อยวางว่าเออเป็นเรื่องสุดวิสัยอชนะใจเขาไม่ได้เขายังไม่เปลี่ยนเขายังอิจฉาเราอยู่เขายังเกลียดเราอยู่ก็ยังไม่ชอบเราอยู่ ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราให้อะไรเขาแล้วเขายังไม่พอใจก็ก็ต้องทำใจของเราว่าอย่าไปกังวลกับเขาคำถามจากคุณอภิสิทธิ์เราไม่ค่อยได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่าที่ควรบาปหนักไหมครับไม่ได้บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญ <c oughs> การดูแลผู้อื่นนี้เป็นบุญ ถ้าได้ดูแลก็จะได้บุญได้ทดแทนบุญคุณได้แสดงความกระตันยูกตเวทีแต่ไม่ถือว่าบาปบาปก็ต่อเมื่อเราไปด่าพ่อด่าแม่ไปทุบไปตีไปทำร้ายพ่อแม่ถึงจะเรียกว่าบาปแต่อาจจะเรียกว่าไม่ไม่กระตันยูก็ได้ไม่ไม่ไม่นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ ก็เรียกว่าไม่ได้บุญก็แล้วกันแต่ไม่บาปมีคําถามนึ่งคะอยากสอบถามว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งก็นั่งสมที่ไม่เป็นแล้วเราจะมีวิธีการอะไรที่จะบอกเขาให้เขานั่งสมาธิค่ะก็อยากนั่งหรือเปล่านะเขาอยากนั่งแต่ว่าเขาทําไม่ได้ค่ะอ่อ<ไ>สา ม, มารถบอกอะไรเขาได้บ้างคะก็ถ้าเขาพุโทโธได้ให้เลองพุโทโธไปให้เขาทําพุโทโธต้องทําก่อนที่จะมานั่ง คือทําทั้งวันนี้ได้ไหยพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกจากเตียงที่นอนก็ให้พุโทโธพุโทโธไปแล้ทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปคือให้เขาเป็นโจิตพุโทโธไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับพุโทโธทํางานอะไรก็พุโทโธไปถ้าจะใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแต่ต้องเป็นความคิดที่จําเป็นจะต้องคิดเป็นคิดกับเรื่องงานเรื่องการที่เรากําลังจะทำคือเขาบอก อย่างนั่งสมาธิแต่ก็นั่งไม่เป็นไม่ไม่ได้ทีก็ไม่มีอะไรให้พุทโธคําเดียวนี่แหละแล้วเวลาเมื่เวลาว่างก็นั่งหลับตาถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งพับเพียบถ้านั่งพับเพียบไม่ได้จะนั่งห้อยเท้านั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งแล้วก็พยายามให้ให้ตัวตรงอย่าให้อย่าให้มันงอเพราะเดียวมันจะหลับแต่ไม่ต้องเกรงนั่งให้มันท่าสบายนั่งตัวตัวตรง แล้วพอนั่งหลับตาแล้วก็ให้พุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นอะไรมามารบกวนใจกอ็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธแล้วไม่ต้องไปคาดกันเลยว่าคนนั้นว่านั่งแล้วเห็นผีเห็นอะไรเห็นสวรรค์เห็นอะไรไม่ต้องไปสนใจเรานั่งเพื่อให้ใจสงบถ้าใจมีพุโทโธอยู่เราจะไม่เห็นอะไรมันจะสงบถ้าเห็นก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วจะมีความสุขให้มันลืมเรื่องราวต่างๆไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆือเขาบอกว่ามันจิตใจบวกลวลาอ่าไม่มีสติให้เขาใช้ฝึกสติก่อนให้เขาพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทางานทำการอะไรก็พุโทโธไปพอไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็พุโทโธไปถ้าคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวก่น แล้วต่อไปใจจะไม่วอกแหวกใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะมีหลักมีเกณฑ์มีมีน้ำหนักมีความหนักแน่นตอนนี้ใจมันเบาเหมือนปุยนุน่นพออะไรมันกระทบหน่อยมันก็ไปแล้วหรืววิตกกังวลปรุงแต่งไปเรื่อยๆวิตกกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้นี่แสดงว่าใจคิดฟุง้งซ่านไม่มีสติคอยควบคุมความคิด ถ้ามีสติแล้วมันก็จะไม่คิดเรื่องราวต่างๆถ้าคิดมันก็จะคิดด้วยเหตุด้วยผลถาว่ามาคำ ถ, ถามจากคุณราวิวัณถ้าตอนเรามองสิ่งรอบตัวและคนรอบข้างและเหตุการณ์ในโลกที่เกิดขึ้นมันน่าเบื่อมันซ้ำซากจำเจมันไม่มีอะไรน่าอยู่เลยแต่ความคิดอีกส่วนหนึ่งก็ยังติดกับมันอยู่อยู่ก็หลงไปชั่วคราว แต่ก็รู้เราจะบ้าใหม่คะถ้าเราคิดวนไปวนมากับการรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่หัดแต่ห้ามมันไม่ได้บ้างแต่ก็รู้ก็อย่าไปคิดเสีมันคิดแล้วทําอะไรไม่ได้ก็อย่าไปคิดคิดแล้วเดียวมันก็เครียดมันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาและเบื่อมากๆอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้เพราะว่าเรา ยังไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเรายังไม่มีความสุขมาทดแทนสิ่งที่เราเห็นว่าน่าเบื่อเรายังต้องทนอยู่กับสิ่งที่หน้าเบื่อเพราะว่ามันก็ยังให้ความสุขกับเราบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเราต้องมาหยุดความคิดมาพุโทโธพุโทโธกันทำใจให้สงบกันพอใจสงบแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะสามารถ ตัดสิ่งที่เราเบื่อหน่ายได้โยนทิ้งไปได้ตอนนี้มันยังแบบ เ, เบื่อๆ อ, อยากๆสงจิตสองใจทิ้งไปก็กลัวเดี๋ยวเวลาอยากขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรมีไว้ก็เบื่อลำคาญเนีนมันต้องพยายามสร้างความสุขแบบใหม่ขึ้นมาสร้างความสงบขึ้นมาพอเรามีความสงบแล้วทีนี้เราก็จะทิ้ ง, งสิ่งของต่างๆไปได้บุคคลต่างๆไปได้ อันนี้ยังแบบว่าเกินไม่เข้าขายไม่ออกรักพี่เสียดายน้องอยู่ยใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็เบื่อเวลาไปเจอช่วงเบื่อก็มาทุกข์ล้อเกินเวลาไปเจอช่วงรักก็อ๋อหวานแสนหวานนะงั้นต้องมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่เอาความสุขทดแทนที่ดีกว่า พอเรามีความสงบแล้วเราก็จะทิ้งทุกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเบื่อได้คําถามจากคุณบีนาอยากทราบว่าหนูขับรถแล้วนกบินตัดหน้าเบรคไม่ทันทําให้ชนนกสองครั้งแล้วจะอุทิศบุญให้เขาได้อย่างไรบ้างคะก็ทําบุญแล้วก็อุทิศไปว่า <c oughs> มันนี้ไม่ได้เป็นบาป ก, กรรมแต่อย่างใดเรียกว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีเจตนาเป็นเคอะกรรมของเขาที่เขาถึงวาระที่เขาจะต้องตายแต่เราก็ช่วยได้ช่วยอุทิศบุญให้เขาได้ไปทำบุญใส่บาทถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับเขาไปถ้าเขาหลอลับบุญก็เขาก็รับไปแต่ถ้าเขาไม่รับเขาอาจจะมีบุญในตัวเขาเขาไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ต้องอาศัยบุญที่เราอุทิศ แต่รับรองได้ว่าไม่มีเวรกรรมต่อกันเพราะเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาเราไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับเขาเหมือนเราเดินไปแล้ว เ, เราไปถูกมะพร้าวหลน่นใส่หัวทับตายเราคงไม่ไปโกรธต้นมะพร้าวคำถามจากคุณแอมนะครับที่ฉันเคยโดนคนเข้ามาหวังจะขืนใจล่อจากความตายถึงสองครั้ง เป็นเพราะเราเคยทำเขาไว้ในชาติก่อนหรือไม่เพราะครั้งแรกก็ให้อภัยอโหสิให้ก็ยังกลับมากระทำอีกก็มันก็คงจะมีอาจจะมีเหตุหลายเหตุเราจะคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเคยทำผู้อื่นมาก่อนก็ได้แล้วเราก็ต้องเลยถูกเขาทำแทนเวลาจะคิดว่าเราประมาทเลินเล่อหรือเปล่าเล่นเล่าปล่าเรา เราไปเปิดตัวเราเองให้มันมีช่องให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายเราหรือเปล่าเราไม่รอบคอบหรือเปล่ามันก็มีส่วนดันั้นมันก็มีหลายหลายเหตุด้วยกันที่อาจจะทําให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราเรารอบครอบเราดูเราทําทุกอย่างแล้วที่ควรจะทําเรายังถูกเขาทําอีก็ถือว่ามันก็คงจะเป็นวิบากของเราคําถามจากคุณเจีย๊ยบ สี่ห้าห้ามฆ่าสัตว์การตียุงจะผิดหรือเปล่าคะไม่อยากฆ่ามันเลยกลัวบาปแต่กลัวกัดเด็กๆพอตีแล้วก็ไม่สบายใจพอไม่ตีก็กัดลูกกลัวป่วยคะ่ะบาปก็บาปนฆ่าสัตว์มันก็บาปเพียงแต่ว่าบาปมากบาปน้อยบาปนี้มันก็ <c oughs> มีน้ําหนักไม่เท่ากันสิ่งที่ถูกฆ่านี้มันมีหนักมีเบา อยู่ที่คุณประโยชน์คุณของสิ่งที่ถูกค่าเช่นถ้าค่าสัตว์เนี้มันเบากว่าค่ามนุษย์มนุษย์นี่มีคุณมากกว่าสัตว์เนี่ยเรามนุษย์ด้วยกันนี้ก็มีมีคนไม่เท่ากันค่าคนที่เราไม่รู้จักกับค่าพ่อค่าแม่เนี่ยมันต่างกันพ่อแม่มีบุญคุณกับเรามากค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอรหันต์นี้ท่านถือว่าเป็นอนันตฤกยกรรม เป็นกรรมที่หนักแต่ถ้าฆ่าคนทั่วไปฆ่าสมมติถ้าเราเป็นทหารเป็นตำรวจถ้าเราไปฆ่าผู้ร้ายนีย่บาปมันไม่เท่ากันแต่ก็ยังมีบาปอยู่ถ้าไม่อยากจะต้องใช้ผลบาปก็อย่าไปทำบาป mm hmm. ก็หาวิธีป้องกันได้ก็ทำติดมุ้งลวดสิเดี๋ยวนี้เขาก็มีมุ้งลวดกันอยู่ หรือให้คิดอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นการฉีดวัคซีนก็ได้เวลายุงมันกัดมันก็คล้ๆเอาเชื้อมาให้เราหน่อยเพื่อให้เราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อไปโดนยุงกัดเท่าไหร่ก็จะไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ติดโรคหมดแล้วแหละพี่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้บอกว่าเวลาโบธนาก็มีป่ว แล่ถ้าคนที่เท่าไปทำบุญด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เราอนุโมทนาเขาหรือว่าเราเฉยๆเฉยๆก็ได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ควรที่จะส่งเสริมเท่าเราก็เฉย ๆ, ๆแต่ถึงแม้เขาทำด้วยมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> เขาก็ได้บุญเพราะว่าเขาก็ยินดีที่สวั์ทรัพย์ของเขาไปการยินดีที่อาจจะได้บุญน้อยกว่าคนที่อชเพราะทำบุญด้วยความโลภนี่มันก็ ในบุญน้อยกว่าคนที่ทําบุญ ด, ด้วยการเสียสละไม่ต้องการผลตอบแทนมัต่างกันบุญมันจะต่างกันตรงนึงแต่ในส่วนของเราเราก็เฉยเไว้หรือว่าเราอนุโมทนาไปกับเขว <c oughs> ก็ถ้าเราคิดว่าเขาทําสิ่งที่มันไม่เป็นบุญเราจะเราก็ไม่ต้องอนุโมทนาใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นบุญนะแต่ <c oughs> เมื่อเราจะเรียกว่าบุญแต่มันไม่ใช่เป็นบุญ คำถามจากคุณอาบิลช่วงแรกที่นั่งสมาธิก็ล้มคุกคานนั่งมาหลายปีแต่ทุกวันนี้เวลานั่งทําสมาธิได้ดีนิ่ง ส, สงบสบายอยากทราบว่าต้องนั่งให้สงบแบบนี้ต่อไปถ้าจะให้ก้าวหน้ากว่านี้ต้องทําอย่างไรคะก็พยายามนั่งให้มันชํานาญจนเราสามารถที่จะนั่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการสมาธินี้ก็เป็นเหมือนที่หลบ ภัยของใจเวลาใจเรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็นั่งสมาธิแทนที่จะไปทาอย่างอื่นเราไ่นั่งสมาธิพอใจสงบแล้วใจสบายเราก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆดีกว่าการไปแก้ปัญหาโดยวิธีอื่นเช <c oughs> ่นไม่สบายใจ <c oughs> ก็ไปชอปปิ้งเสียงเงนินแล้วก็ได้ขยะมาเก็บไว้ในบ้าน ซื้อาแล้วก็ไม่ได้ออกมาใช้เอามากองไว้กองไว้แล้วเดี๋ยวไม่นานพอเก่าก็เอาไปทิ้งกลายเป็นขยะไปเราก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินมามาแก้ปัญหาแบบนี้หรือไปเที่ยวไปท่องเที่ยวนี้อาจจะทําให้ความไม่สบายใจหายไปชั่วคราวหมดเงินไปหลายหมื่นพอกลับมาบ้านเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมถ้านั่งสมาธิได้พยายามใช้ การนั่งสมาธินี้ให้เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่เป็นการแก้อย่างถ้าววร์ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ใช้สมาธินี้ช่วยแก้ไปชั่วคราวก่อนดังนั้นะถ้าเรายังไม่ชํานาญเรายังเข้าบ้างเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างก็พยายามนั่งบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนกับการพิมพ์ดีดตอนต้นเราอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอย่างนี้ถ้าเราเราก็ถักปยญญาหัดพิมพ์ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะพิมพ์ถูก การนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้ายัางไม่ชำนาญก็พยายามนั่งให้มากๆถ้าเราชำนาญแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็คือเวลาเราไม่ได้เข้าสมาธิให้เราใช้ปัญญาฝึกคิดไปในทางปัญญาปัญญ า, ามองให้เห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังทีนี้เราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ว่าปัญหาของเราทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของเรานี่เองเพราะเราปคิดว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเราสามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แต่ความจริงมันสั่งได้บางเวลาพอเวลาที่เราสั่งไม่ได้ก็จะเสียใจจะทุกข์ใจขึ้นมาคาถามจากคุณอวาอยากอุทิศบุญอยากอุทิศบุญให เทวดารักษาตัวเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนได้ร่วม อ, อนุโมทนาควรอุทิตตอนไหนเจ้าคะเวลากลับมาถึงบ้านต้องบอกให้ท่านอนุโมทนาด้วยหรือเปล่าคะเกนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีเขามเขามีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไปตู่คิดกันขึ้นมาเองแล้วเทวดาก็จะมาคุ้มครองรักษาบ้านเราทำไมเ ข, เขาก็ไปหาความสูงเขาไม่ดีกว่านะ เราไม่ยมมาเป็นยาเราไม่มีค่าชาไม่มีค่าจ้างอะไรให้เขาก็ายังมานั่งเป็นยาให้เหราทาไมใช <c oughs> ่ไหมนอกจากว่าเคยมีบุญนีบุญคุณกันมาก่อนนี้อาจจะเป็นไปได้ในอดีตชาติเราอาจจะเคยช่วยเหลือเขาอะไรนี้แล้วพอดีเขามาเป็นเทวดาแล้วเขามาเห็นเราอยู่ในสภาพที่เขาพอจะช่วยเหลือเราได้เขาก็อาจจะมาช่วยเราได้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเขาทำด้วยความยินดี ก็ทําด้วยความกตัญญูกตวเวทีเราก็เพียงแต่ไม่ไปคิดร้ายกับเข า, เาแล้วก็ให้พรเขา ว, ว่ า, อาขอให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายนะ เ, เราอยู่ด้วยกันได้ร่วมกันได้แต่เราเป็นเหมือนคนจนไปให้เงินกับเศรษฐีเทวดานี้ก็เป็นเหมือนเศรษฐีเขามีมีความสุขมีบุญมากกว่าเรา เราไม่ต้องทําอะไรเราก็เพียงแต่ขอบคุณเขาก็แล้วกันขอบคุณที่อุตส่าห์มาคุ้มครองดูแลรักษาแค่นี้ก็พอเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเขาต้องการเค่นะมาทดแทนบุญคุณที่เราเคยอาจจะมีกับเข้ามาในอดีตคําถามจากคุณปัญญาผมไม่เคยบวชพระเลยเคยบวชแต่เนนจําเป็นไหมครับที่ต้องบวช อย่างคําที่ว่าพ่อจะได้เกาะชายผ้าเหลืองครับอ๋อความจริงการบวชนี่ไม่ไม่ได้อยู่ที่เรื่องพ่อเรื่องแม่เกาะชายผ้าเหลืองหรอกการบวชนี้บวชเพื่อตัวเราบวชเพื่อให้เราได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป้าหมายของการบวชที่แท้จริงถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะบวชเพื่อให้ดุดพ้นก็นไม่ต้องกังวลเรื่องบวชให้พ่อให้แม่เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรมากจากการบวชของเราเหรอก ที่เขาว่าเกาะชายพระเสือก็หมายความว่าปกติพ่อแม่ไม่เคยไม่ชอบเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดพอลูกบวชเป็นห่วงลูกก็เลยต้องมาเข้าวัดมาดูแลลูกที่มาบวชแล้วพอมาวัดก็เลยต้องมาทําบุญมามาฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาเอกไปปฏิบัติอันนี้ก็จะได้ไประโยชน์ก็เหมือนเกาะชายพระเหลือ มันก็เป็นแค่นี้แหละเป็นอุบายให้ดึกพ่อแม่เข้าวัดด้วยการเอาลูกเข้าวัดถ้าลูกเข้าวัดพ่อแม่ก็ต้องมาหาลูกเพราะมีความรักมีความห่วงใยลูกแต่บางทีพอลูกศึกพ่อแม่ก็ไม่มาเหมือนกันหายไปเหมือนกันเวลาลูกบวนนี่มาทุกวันพอลูกศึกปั๊บหายหัวไปเลยมันก็เกาะชายผ้าเหลืองแยวเดียว ยันถ้าอยากจะให้เกาะไปนานๆก็ต้องบวชแบบไม่สึ็อ่าแล้ก็ค่ะจะถามเรื่องจิตนี่นะคะอย่างเวลาคนที่ตายแล้วเนี่ยจิตมันจุติเสร็จแล้วมันจะต้องไปปฏิสนธิทันทีแล้วทําไมถึงคนยังเห็นว่าตายไปแล้วยังมีวิญญาณมาปรากฏที่บ้านที่อะไรให้คนเห็นอยงนี้มันจริงหรือว่าเขาคิดไปเองคือเวลาออกจากร่างกายไปเนี่ยจิตมันก็จะเป็นไปตามสภาพของบุญหรือบาปที่เป็นนะคือ อาจจะเป็นเปรตเป็นเทวดามันเป็นโดยอัตโนมัติแล้วแล้วพวกเปรตพวกเทวดาที่มันก็เป็นกายทิพย์ดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาเข้าฝันหรือมาอะไรได้บางทีเขาตายไปแล้วเขายังหงใยายเราอยู่เขาก็มาเข้าฝันเราก็ได้หรือไปเข้าฝันกับคนที่นั่งสมาธิแล้วมีฌานมี มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้เขาก็จะติดต่อกันได้อันนี้เป็นพูดหลักที่เป็นความจริงนะหลักที่ไม่เป็นความจริงก็คืออุปทานคนเห็นคิดไปเองเห็นเงาแวบๆตรงไหนเห็นใบไม้ไหวเห็นได้กลิ่นทูปได้กลิ่นอะไรขึ้นมาก็ว่าดวงวิญญาณมาแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องอุปทานยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเราต้องคุยกันได้ ฉันบอกว่าฉันเป็นพ่อเธอนะที่ฉันตายไปแล้วฉันยังลืมของลืมสมบัติไว้ชิ้นหนึ่งฉันอยากจะให้เธอได้รับออยู่ตรงนั้นซ่อนไว้ตรงนี้เอแล้วถ้าเราไปทําไปหาเจอตามที่เขาพูดก็สแสดงว่าจริงถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของอุปทานไปแต่ว่าเขาก็มาปรากฏก ไ, ไ, ได้ได้บา ง, งทีเขายังไม่ไปไไ ถ, ถึงแม้เขาเป็นแล้วแต่ก็ยังความพลัง ความห่วงของเขานี่ยังมีกำลังมากทำให้เขายังไม่ไปไม่ไปจากเราเขาเป็นเปรตเป็นเทวดาแล้วตแต่ก็ยังสามารถมาติดต่อกับเราได้ก็สออย่างอย่างพระที่บวชแล้วท่านมีความติดยึดติดกับจีวรของท่านเนี่ยเวลาท่านตายไปแล้วท่านยังห่วงจีวรของท่านอยู่ท่านเลยกลับมาเกิดเป็นตัวเลนท่านั้งที่ท่านทำบุญมาเยอะแยะควรจะไปสวรรค์ได้ แต่ความโหใยญ่กับของที่ก็อยากจะอยู่ใกล้ของของตนเองแล้ววิธีที่จะมาอยู่ใกล้ชิดก็มาเกิดเป็นตัวเลนเนี้จะได้มาอยู่มันแต่พอหลังจากมาอยู่แล้วก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะใส่มันได้ mm hmm. พอตายไปก็ไม่กลับมาละไปละไปไปตามที่ของเขาดัางทั้นึันมีการยกเว้นอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ เราว่าท่านเคยไปนั่งสมาธิอยู่ที่เจดีองหนึ่งแล้วก็เห็นดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนมาป้วนเปี้ยนอยู่แถนั้นท่านก็คุยก็ถามเขาว่ามาทำอะไรเ็าบอกว่าตอนที่เ้ามีชีวิตอยู่เขาร่วมสร้างเจดีนี้แล้วมันยังสร้างไม่เสร็จเขาก็เลยยังมีความห่วงใหญ่เขาก็เลยมาป้วนเปี้ยนมาดูเจดีที่เขาร่วมร่วมสร้างด้วยยังสร้างไม่เสร็จอยากให้มันเสร็จ น, นมันก็เป็นเรื่องของความผูกพันความห่วงใยถึงแม้เขาจะเป็นเทพหรือเป็นดวงวิญญาณเขาก็ยังมาได้เปียงแต่ว่าคนที่จะติดต่อเขาได้นีต้องเป็นคนที่มีพลังจิตถึงจะรู้จริงๆว่าเป็นเขาจริงๆถ้าไม่มีพลังจิตเราไม่รู้แล้วตอนนี้เราอาจจะมีดวงวิญญาณปุ้นเป็นอยู่ทถงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีพลังจิตเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับเขาได้เหมือนกับ เราไม่มีมือถือเราก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่มีมือถือได้เขาเห็นคนส่วนใหญ่มันจะบอกว่าผตาไปสามวันเจ็ดวันจะเห็นวิญ ญ, ญาณกลับมาบ้านอะไรต่ออะไรกันก็แล้วแหละมันแล้วแต่เห็นแบบไหนไงเห็นแบบอุปทานหรือเห็นแบบจริงๆส่วนใหญ่มันเห็นแบบอุปทานอย่างนั้นนะ่ะใจคิดไปเองว่าไปเองแล้วก็ มีอะไรมากระทบหน่อยมาสัมผัสหน่อยก็ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแต่ไม่เคยได้คุยกันจริงจจังๆเมยไหมว่ามาคำถามจากคุณชนั ด, ดาถ้าเราทำบุญกับพระที่รักษาศีลไม่คบผลบุญจะเกิดขึ้นไหมคะบุญมันมีสองส่วนบุญที่เกิดจากการให้เสียสละของเรานี่เกิดขึ้น้วไม่ว่าจะให้กับใครให้กับพระให้กับหมา มันก็ได้บุญเพราะเรายินดีที่จะเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเขาอันนี้ได้แล้วแต่ บ, บุญอีกส่วนหนึ่งคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคล น, นั้นก็อยู่ที่เขาว่าเขาสามารถทําประโยชน์ทําหน้าที่ของเขาได้หรือไม่ถ้าเราไปทําบุญกับพระที่ไม่มีศีลท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวเองให้ดีให้เป็นที่เคาเรพเลื่อมใสของผู้อื่นได้สั่งสอนผู้อื่นได้มันนี้ก็ทำให้ท่านไม่สามารถ ส้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เท่านั้นเองส่วนนั้นเราก็จะไม่ได้รับไปคำถามจากคุณพิชัยภาวนาพุโทโธจนพุโทโธหาคิดปุุงก็ไม่ได้ต้องทำให้ได้ทุกครั้งจนถอนออกมาเองจึงออกพิจารณาได้พิจารณาถูกต้องหรือไม่ครับเวลาจิตสงบมันนิ่งมันไม่คิดอะไรอย่าไปคิดตอนนั้นให้มันนิ่งไปนา น, าน ให้มันสงบให้มันอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปพอมันถอนออกมาแล้วมันเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หนึ่งมันมาคิดในเรื่องที่เป็นปัญญาใคิดในเรื่องว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคําถามจากคุณคริมทํำยังไงถึงจะเข้าถึงทำได้ในชาตินี้คือปฏิบัติยังไงก็ไม่เห็นผลสักทีก็ปฏิบัติน้อยแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูก ปฏิบัติไม่ถูกขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าไม่ถูกขั้นตอนเรียนยังไงก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้เขามีขั้นตอนอยากจะอ่านหนังสือก็ต้องอ่านหัดอ่านกอไก่ขอไข่ไปก่อนไม่ใช่อยากจะอ่านก็ไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูแล้วก็ดูจ้องดูอย่างนั้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เป็นอย่างนั้นตัวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเรียนแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเรียนได้ สมัยนี้เวลาปฏิบัติก็จะดูจิตเลยไม่รู้ดูจิตแล้วดูอะไรเขาบอกให้ดูจิตก็ดูแต่ไม่รู้ว่าดูอะไรอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติก็มีขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนให้มีสติเพื่อที่จะมาหยุดความคิดต่า ง, างเพราะหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุข พอใจมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะสอนใจให้ไปปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์ได้ท่านั้นเองขั้นตอนของการปฏิบัติมันมีแค่แค่สองขั้นใหญ่ๆนี่เองการแรกทําใจให้สงบเมื่อใจสงบมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะสอนใจให้ไปปล่อยทุกอย่างที่เป็นทุกข์ได้ตอนนี้เราปล่อยไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งๆที่เบื่อก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าเรา กลัวว่าเวลาเกิดวันไหนอยากขึ้นมามันก็ยังจะได้ใช้มันได้มันเบื่อๆอยากๆอยู่แต่ถ้าเรามีสิ่งที่ทดแทนที่ดีกว่าเช่นความสุขใจความสุขของความสงบนี้พอเราไปใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยู่มีอยู่นี่มันเป็นทุกข์อย่ากเก็บไว้เลยตัดเข้าไปดีกว่าตัดสิ่งนั้นไปไม่ต้องอยู่กับเขาไม่ต้องมีเขา พอตัดได้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาถ้าไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจมันตัดไม่ได้เพราะมันยังมีความสุขเล็ก น, น้อยจากเขาได้อยู่ถึงแม้ว่านานๆจะมีสักครั้งหนึ่งก็ยังดีกาไม่มีเลยหมดแล้วยังยังค่ ะ, ะว่างไหมคำถามจากคุณกันสกนกระหมพิจารณาจนพบจิตพูดได้ว่าคล้ายใจแยกจิตกับกายอย่างละเอียด จิตดวงนี้กิเลสครอบงําเต็มไปหมดจึงได้ใช้ปัญญาที่มีอยู่ที่ปฏิบัติมาอบรมจิตนี้อีกทีแบบนี้ดําเนินถูกต้องหรือไม่ครับคือ<ะ>ผมไม่ได้เพอ้อเจอไปเองใช่หรือไม่ครับก็ดูว่าเรากําจัดกิเลสได้หรือเปล่ากําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้หรือเปล่าถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ยังแสดงว่ายังใช้ไม่ได้คําถามจากคุณคน้อย การรักษาศีลแปดควรงดการงานทั้งหมดหรือไม่ครับหรือว่ายังทำงานได้งานไล่งานสวนครับมันก็แล้วแต่ว่ามันมาขัดกับการรักษาศีลหรือเปล่าถ้ามันไม่ขาดก็รักษาได้แต่ว่าเป้าหมายของการรักษาศีลแปดก็เพื่อให้เราหยุดทำงานต่างๆให้เรามาภาวนาแทนให้เปลี่ยนงานแทนที่จะไปทำงานเนี่ย ทางร่างกายให้หยุดเชื่อหยุดหางเงินหาทองนอกจากว่ามันจำเป็นเนีต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ก็ทำไปแต่ถ้าหาเพื่อให้ล่ำให้รวยเพื่ อ, อามาซื้อความสุขตามความอยากต่างๆก็อยากอยาไปทำแบบนั้นถ้าเรายังมีฐานะที่ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังต้องทำงานอยู่ก็ทำได้ทำแล้วก็รักษาสินแปดไปก็ได้หลาโคนจะหาเวลามาพานาด้วยถึงจะดี การรักษาศีลแปดอย่างเดียวมันก็มันเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เราได้ภาวนารักษามันมันก็ดีถ้ารักษาได้ก็ดีซ้อมไปก่อนก็ได้จนกว่าเร า, เราไม่ต้องท า, ง, ทา ง, งานแล้วเราก็จะได้ไปภาวนาได้แต่าให้หอธิบายเรื่องมรคผกลกิจนะคะคลกิจะไม่ค่อยเขใจมรค ก, ก็คือการปฏิบัติก็เรียกว่ามรคเ่ย การรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เรียกว่ามาพอเราเอาศีลสมาธิปัญญามาตัดกิเลสได้ใจดับใจหลุดพ้นจากกิเลสก็เป็นผลกันมาผลมันก็มีเป็นขั้นขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอ น, นาคามีขั้นพระ้าล า, านเหมันก็เรื่องต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือมาทำลาย ตัวที่มาทำให้เราติดอยู่กับสิ่งต่างๆนั่นเองพอเราพอเราปล่อยวางได้ตัดได้แล้วก็บรรูได้เช่นทายมตัดลาบยุทธเสริญสุขได้ก็บรรู้ขั้นหนึ่งแล้วขั้นที่สองก็มาตัดร่างกายนี้ไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บอันที่สามอันที่สี่ก็ขั้นที่สองขั้นที่สามก็มาตัดไอ้ตามอารมณ์ ที่ยังอยากจะหาความสุขจากการร่่มหลับนอนกับผู้อื mm ่น hmm. และขั้นสุดท้ายก็มาตัดตัวตนที่มีอยู่ในใจเรา mm hmm. มันก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเป็นเครื่องมือเวลาเราจเจริญศีลสมาธิปัญญาเร า, mm hmm. เราเรียกว่าเรากำลังจเจริญมรรคพอเราตัดตัดกิเลสตัณหาที่สร้างความทุกข์ใจให้เราไดา้ไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจใหายไปเราก็ได้ผลละมันก็เห็น ร, รู้ร <c oughs> ก็เวลาเราตัดความอยากได้เราจะรู้เราตัดความกลัวตายได้เราจะรู้เชไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนเป็นก็เป็นสิเหม็นเดือดร้อนตรงไหนอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดได้ไม่กลัวตายเะหรือหมอว่าต้องฉีดยาต้องทำนู่นทำนี่ต้องเจ็บนะเจ็บก็เจ็บไม่กลัวเจ็บนะอเงี้ยถึงเรียกว่ารู้ ถ้ายังกลัวอยู่ก็ยังยังยังไม่ผ่านยังไม่หลุดถ้าเห็นคนแล้วก็ไม่มีการมารมณกับเขาก็าแสดงว่าหลุดแล้วถ้าใครมาดา่าใครมาดูถูกดูแคลนก็ไม่โกรธเขาใจเฉยเฉยก็แสดงว่าละตัว ต, วตวนได้ใครจะ ด, ด, ดูถูกเบียดย้มยังไงก็เฉยไม่ไม่ไม่เดือดร้อน เลยวละตัวตนได้มีอีกไหมเหลืออีกสักหกนาทีเจนาทีคำถามจากคุณพิชัยรู้แล้วปล่อยไม่ยึดรู้ไม่ยึดว่ารู้เป็นเราเรารู้แต่เป็นสักด์แต่ว่ารู้พิจารณาถูกต้องไหมครับก็ต้องดูว่าปล่อยได้จริงหรือเปล่าคือคิดคิดปล่อยได้อยู่แล้วพอถึงเวลาจะปล่อยจริงๆปล่อยได้หรือเปล่า อย่างเมื่อกี้ยมคนนั้นก็บอกว่าเคยคิดเรื่องความตายรายอยู่เนี่ยแต่พอมาเจอความตายของพี่ชายไปนี่ก็ทําใจไม่ได้แสดงว่ายังปล่อยไม่ได้แเราคิดได้ว่าปล่อยว่าไม่ใช่ของเราแต่เราต้องไปพิสูจน์ดูจริงๆเช่นเราลองพิสูจน์ดูว่าเงินนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไปทําบุญดู ด, ดูจะทาได้ไหมเก็บไว้เท่าที่จําเป็น ท่านั้นส่วนที่ไม่จำเป็นนี้มันไม่ใช่ของเราเอาไปทำบุญนให้ใครก็ได้ไม่ต้องให้พระไม่ต้องให้วัดก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ใครก็ได้ขอให้มันไม่ใช่ถือว่ามันเป็นของเราแล้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราจะเก็บไว้ทำไมก็เราให้เขาไปดูดูว่าให้ได้หรือไม่การคิดมันคิดได้แต่เวลามันทำมันจะทำได้หรือเปล่ามันต้องพิสูจน์ที่การกระทําไม่ได้พิสูจน์อยู่ที่การคิด การคิดนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราเก็บไว้แล้วมันจะทุกข์ถ้าเรายังยึดยังติดถ้าเกิดมันหายไปเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันหายไปเราก็จะเฉยเฉยคำถามจากคุณพีรพงศ์ฝึกนั่งสมาธิสามปีจนพบลูกกลมๆเหมือนโคมไฟแสงจันทร์ตามบ้าน เฝ้ามองดูอยู่ปรากฏว่ามีร่างเราออกโผล่ออกมาจากดวงกลมๆนี่แหละครับตอบในสมาธิว่าจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อเรารู้ตัวตลอดจากนั้นก็ดับพึบเหมือนไฟดับเจอสองครั้งเลยไม่กล้านั่งต่อทิ้งไปเป็นสิปีมาฝึกใหม่ได้ไหมครับได้อย่าอย่าไปนั่งดูของเหล่านี้ให้นั่งดูพุโทโธไปอย่างเดียวให้ท่องพุโทโธแล้วดูลมหายใจไปแล้วของพวกนี้มันจะไม่ไม่ไม ไม่โผล่ขึ้นมาหรือถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นภาพลวงภาพหลอกมันไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีอะไรไม่มีโทษไม่มีคุณมันใจเราไปรักไปชังมันเองแต่วิธีที่นั่งให้ถูกต้องก็คือต้องมีอะไรกากับใจไว้จะเป็นพุโทโธก็ได้เป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วมันจะนาเราไปสู่ความสงบสู่ความว่างที่เป็นผลที่เราต้องการ คำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณความดีที่ไม่อยากทำถามว่ามีคนเคยบอกว่าการฝึกสมาธิเองถ้าไม่มีใครคอยสอนคอยบอกจะทำให้ผีเข้าทำให้บ้าออกจากสมาธิไม่ได้จริงไหมครับก็เวลานั่งสมาธิมันก็เหมือนกับการทำอะไรเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าวิธีทำที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร ถ้าไม่ไปเรียนรู้ไม่มีคนสอนมันก็อาจจะทำแล้วเพี้ยนไปได้ผิดได้เหมือนการทำกับข้าวเนี่ยถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนจากคนที่ก็ททำเป็นก่อนไรางั้นเดี๋ยวทำออกมากินไม่ได้ยังนาเวลานั่งสมาธิถ้าเราไม่รู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้องเราก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก็แสดงว่ามีคนสอนแล้วพอเรารู้แล้วเราก็ออกไปนั่งตามที่เขาสอนแล้วถ้าเราได้ผลยังไงเราก็ไปเล่าให้เขาฟัง เขาก็จะอาจจะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแก้นะต้องทำอย่างนี้ดฉะนั้นก็ต้องมีคนคอยสอนคอยบอกไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากจะนั่งก็นั่งนั่งเลยไม่รู้ว่านั่งทําอะไรดูอะไรพอมีอะไรขึ้นมาก็คิดตู่เอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้พอเห็นอะไรขึ้นมาก็ว่าตนเองเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้นั่งแบบนี้ก็จะทำให้เพีย้ยนทำให้เป็นบ้าได้ ยห่เวลานั่งต้องศึกษาก่อนว่านั่งเพื่ออะไรเวลาเห็นอะไรให้พิจรารณาอย่างไรพระเจ้าบอกว่าเวลาเห็นอะไรพิจรารณานเป็นเหมือนเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเปล่านี่แหละคือเป็นอนิจจังทุกขงังแวนะตามีเกิดมีดับมีมาแล้วไปไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ของทุกนี้ให้มารู้อยู่กับลมแล้รู้อยู่กับ พุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างพราซึ่งเป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิให้จิตสงบให้นิ่งให้สให้สบายใจ mm hmm. ก็หมดแล้วใช่ไหมอักแค่นี้นะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนิพิจนาะไปปฏิบัติ